การทำกันเราก็ได้สาธยายพะสูตรไปเลอะที่สุดแต่ละบทแต่ละบทเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงที่เราสาธยายออกไปเป็นความจริง สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ผิดตรงไหนเลยตัดไว้ดีแล้วจริงๆเพิ่มไม่ได้จะตัดออกก็ไม่ได้พอดีแล้วโมโวพุพังคบาธรรมามโนเสถ่ามโนามายาทำทั้งหลอยมิใจเป็นหัวหน้ามิใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจ ไม่มีอะไรตัดได้ยอมล้อยอมล้อเที่ยนี้ทุกข์ก็เพราะความคิดทุกข์ก็เพราะความคิดออกมาจากจกิตจิตไม่ได้ผูกขาดไม่ได้พัฒนาก็าพอให้ผิดก็ให้ทุกข์เป็นปัญหาถ้าจิต ถูกพัฒนามีสติปฏิบัติธรรมตามคำสอนก็ไม่มีปัญหาเป็นปัญญาเป็นมรรคผลนิพพานมันฝลูกได้อย่างนี้มันจึงเป็นใหญ่อย่างนี้จิตนะถ้าไม่ปึูกก็เป็นใหญ่ไปแบบอื่น<ม>ก็ให้เกิดทุกข์เกิดโทษต่อตัวงและคนอื่นถ้าไม่ปลุกหลัด จำเป็นเราจงมาชวนกัรฝึกหัดจิตเพ่ให้พึ่งพออาศัยกันได้เราก็จะพึ่งตัวเราได้ถ้าเราไม่ฝึกพึ่งใจิตใจก็ไม่ได้ไม่รู้จะเป็นยังไงคร่มรวยคุ้มดีผููฟูแพร่แพรคนที่รักกับเคนที่เกียรติชังฆ่ากันได้กับจิตนี้ ถ้าไม่ฝึกอันตรายก็จะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าจิตชั่วก็เป็นบาปเป็นกรรมคำที่ท่อมจากออกมาจากจิตที่มันคิดมาเป็นทั้งวนันมีคำพูดมีกาย เกิดกรรมขึ้นมากระ ท, ทุ้บกระทืนไปคิดหมย ห, ย, ห ย, ย, ยหลายเฉีงยงไลอย่างทำไลยหลายเฉียงไลอย่างย้อนทุกข์ก็ย้อมติดตามคนโหล่นั้นเหมือนโลกเปียนหมุนตามรอยเข้าของโขแห่นั้นตามกับบาปเอ่งย้อมเชร้าหมองเก่ง ไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองถ้าฝึกหัดถ้าไม่ฝึกหัดก็ทำบาปเองเศร้าหมองเองถ้าขัดจิตดีๆพัฒนาดีๆก็ไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความเศร้าหมองข้อหมดจดที่เกิดจากการกระทําเป็นของเฉพาะตัวใครทัวมันช่วยกันไม่ได้ จิตไปช่อภัยถ้าทำบาปาก็จิตฝึกเดี่ยวไปช่วสุคติถะทําทดีพวกนี้มีอยู่จริงวันนี้ก็มีอยู่จริงแต่พวกนี้ทําอะไรไม่ได้ทําต้องทําวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ถ้าจะฝึกก็ต้องฝึกเดี๋ยวนี้ มีเดี๋ยวนี้ดีวินาทีข้างหน้าก็ดีชั่วโมงข้างหน้าก็ดีวันข้างหน้าก็ดีปีหน้าก็ดีชาติหน้าก็จะดีถ้าไม่เริ่มวันนี้พูกนี้ก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นไปตามกรรมจึงากันชวนกันมาปฏิบัต เพราะเรามีรูปมีน้ำมีกายมีใจรูปนี้น้ำนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปรูปนี้น้ำนี้เกิดขึ้นแล้วแจ็บเจ็บตายไปไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะเรื่องรูปเรื่องน้ำไดไ้เป็นใหญ่เฉพาะตนโยมละทิ้งในสิ่งทั้งปวงต้องไป เอาไว้อยู่เมันไปเที่ยงไม่ใช่ตัวตนถ้าเราไม่ใช่มันให้เป็นประโยชน์นก็ไม่ได้ประโยชน์ที่เกิดจากรูปจางนามอาจจะเป็นโทษไปเกิดมาไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยม่ถัดเส้นมองเปิดเพื่อนกับกรรมที่ทามา ต า, ามกรมหรือเปล่าแล้วนะจึงมาตั้งจิตให้ถูกมีสติฝึกได้จิตนี้ว่าจะมีสติรูปนี้ก็ฝึกได้ว่าจะมีสติมั่นใจมั่นใจถ้ามีสติดูกายเคลื่อนไหว เห็ในใจเหมือนคิดมาให้เห็นเลยทั้งหมดเลยจุดเดียวอยู่จุดเดีย ว, ดดยวมีสติเหมือนปปอมปาการเป่ประตูผ่านมาให้เห็นทุกรูปทุกแบบถ้าตั้งไว้ถูกก็ง่ายถ้าตั้งไว้ผิดก็ยากเช่นเมื่อวานได้พูดว่า ต้องไวคือเลข0นต้องไวศูนไม่เป็นลายง่ายๆอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นลายว่าหาศูนย์เหมือนเดิมจุ ก, ก็ไม่เป็นลายกับมหาเลขศูนย์จุกไม่มีค่าทุกก็ไม่เป็นลายกับมหาเลขศนย์ทุ ก, กไม่มีค่า ภาษาของปฏิบัติจาถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้พระเจ้าก็ว่าตัดจางนี้เอ่อทฤษฎีภาคปฏิบัติมาทำกับตัวเองเอาสิ่งที่เพิ่มเข้าไปให้มันสะดวกแก่การปฏิบัติทำใจแบบไหนในภาคปฏิบัติมีแล้วนี่จะดี เป็นนกายเป็นประจำมีสมฉิญญามีความเพียรเครื่องเผาชิลิศถอนความปอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้แล้วจะมาตั้งแบบไหนหตั้งไว้ให้มันถูกปิดเอาพูดล้วนๆเป็นตุกต า, ามาตั้งเราต้องจับมาตั้งเหมือนแล้วสร้างบ้านมีแปลนเป็นทุกตา เอามาสร้างมาเอาไม้ตีตั้งไม้ตรงไหนตีตรงไหนั น, นั่นเป็นเรื่องของเราที่เป็นความฉลาดอ่านออกแตกขันเป็นรูปเป็นร่างใช่ได้เออจิตตั้งไว้ดีเนี่ยมันใช่ได้ันเป็นศูนย์เนี่ยสะดวก สะดวกล่าความชั่วถ้าตั้งไว้ถูกสะดวกทาความดีถ้าทั้งไว้ถูกถ้าตั้งไว้ไวผิดก็ยากผิดเป็นปันใดเข้าไปสู่ความถูกต้องือไม่เป็นลายปันใดเข้าไปหาความสาเร็จแล้วผิดก็ไม่เป็นลายสงบก็ไม่เป็นาลายคุ่งช้านไม่เป็นลายทุกข์ไม่เป็นลาย มันก็ไต่ไปแล้วข้ามไปไ ด, ได้ง่ายง่ายไปหาความเจริญขึ้ น, นงอกงามยิ่งขึ้นไปบูญยิ่งขึ้นความเต็มโรอบก็ยิ่งขึ้นเพิ่มความดีเพิ่มกําลังมีแต่ความดีนะผิดก็ได้ความรู้นะถูกก็ได้ความรู้ มาสุขก็ได้ความรู้จึกตัวมาทุกข์ก็ได้ความรู้สึกตัวมาสงบก็ได้ความรู้สึกตัวมาฟุ้งซ่านก็ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยตั้งไว้ถูกมันเป็นอย่างนี้ไม่เสียหายไม่มีไม่มีเสียมีแต่ได้ถ้าตั้งไว้ถูกถ้าตั้งไปไม่ถูกก็มีแต่เสียมีแต่ยาก แ ค, ความหลงก็ยากแก่ความทุกข์ก็ยากแก่ความเิดก็ยากตั้งบว้เพียรแล้วจงมาให้เป็นสะดวกสร้างความสะดวกให้กับตัวเองสะดวกจริงๆสะดวกรล่าความชั่วสะดวกทำความดีมาให้เห็นเกิดให้ดู้องผัดด้ ความหลงเป็นอย่างไรความไม่หลงเป็นอย่างไรเขื่อทุกข์เป็นอย่างไงความไม่ทุกข์เป็นอย่างไ ร, มไมงไรผู้สมปรัชจะต้องตอบเองได้ตอบได้ตอบได้สะดวกเครื่องนี้ไม่มีอะไรขวางกัน้นสิทธิร้อยเปอร์เซ็นเป็นอธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นฉวนตัวฉวนตัว เ, เรามันหลงมีส่วนตัวไม่หลงใช่สิทธิส่วนตัวอธิปไตยทำง า, ออ า, านอธิปไตยหัตถ์อธิปไตยโลกาอธิปไตยเรื่ธิปไตยส่วนตัวเาไม่ใช่ประชาธิปไตยประเทศไทยประชาธิปไตยประเทศไทยเรียกร้องให้คนอื่นช่วย ธรรมมาทิพไุตยช่วยตัวเองอย่างผู้วนวัานนี้จะมีผู้นำดีสอสอดีผู้เยาบ้านดีมันก็ไม่ใช่เรื่องเราเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราอย่างปีที่เขาปฏิวัติทักษิณคนอื่นมาบอกอาจารย์ทุ่ม ว่าเดีด้วยกันก่อ้อาวเขปฏิวัติเป็นเรื่องของปฏิวัติแต่เห็ดวัดป่าชกุตกตัวเห็ดแล้วงกจะออกให้เรากินอยู่เสมอเขาปฏิวัติเห็ดก็ออกของไม่ปฏิวัติเห็ดก็อกอกให้กินอยู่ไม่ใช่เรื่องดื่มเรื่องส่วนตัวอยู่กับโลกนี้เผ่นดินนี้อากาศนี้แล้วจุกควาทุกข์นี้ มันอยู่ที่ชวนตัวจริงๆจิที่รอยเปอร์อเซเวลามันทุกข์จิตที่ไม่ทุกข์ใช้ได้เลยสะดวกความทุกข์อา จ, จะไม่น่าบูดบนะ่งความทุกข์อา จ, จะยิ่มบรรสะดวกนี่นเห็นแล้วรู้แล้วตู้ที่มันแล้วเอาละรู้แล้ ว, ลลวตายเต่าไปแล้ว คนที่พ่ายแพ้ก็เตยเต้าไปสู่ความชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้ล่มเหนีวไปเลยได้ความชนะจากความพ่ายแพ้ถ้าไม่มีแพ้ก็ไม่มีชนะไม่มีผิดก็ไม่มีถูกไม่มีทุกก็ไม่มีไม่ทุกเตยเต้าไปอย่างนี้เพราะเหตุนี้พระเจ้าตรัสเรื่องนี้จริงๆเห็นธรรมะ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจัสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจัสวัตผู้นั้นช่วาเห็นธรรมเนี่ยอันนี้คืออรียสสัพสของนักปฏิบัติทุกเวลาทุกเวลา เห็นเหตุเหนที่วันหลงนั่นแหะมาเป็นเหตุให้ไม่หลงไปไปเหยียบบันไดนี่ไปไปสู่ความจรเนาะบันไดความพ่ายแพ้มันเหยียบขึ้นไปสู่ความเนาะสูงขึ้นเวลาเราปฏิบัติเป็นก่อเป็นกรรมจริงๆความพ่ายแพ้เราบาลานชัยล่มเลิกเลยไม่ได้ทำยากทำยากทำไม่ได้ คนนั้นทําได้เราทำมไาได้เรีย่ว่าอุปท า, านสําคัญว่าดีของเขาสําคัญว่าเหลวของเขาสำคัญว่าเลิศดของเขาสําคัญว่าเสมอเขาเทวอัตาแบบนุทิฐิแบบนั้นใช้ไปได้ <c oughs> อย่าตนหมาขี้แจงให้ขวงกันสิ่งที่ถูกต้องตอนระวังให้ดีเพราะว่าตัวตนวาให้ดี เราได้เราไม่ได้เราทำยากเราทำไม่ได้นี่เราว่าตนตาลุทธิติอตนขวงกันตนแบบนี้ตนพอไปขิบหอยตกนรกได้เรื่องเกิด ข, ขึ้นกับกายกับใยกับลูป ก, กับน้ำเอาตนไปขวงกันซะ ลอนคือกูหนาวคือกูปวดคือกูุ้กคือกูทุกคือกู้ตอถูกเสียงแด็กก็ลอนคือลอนต่อถูกเลี้องอ่อนกวัอคือกูหนาวกูเบื่อกูมอ่อนกอดคือกูความทุกคือกู้ต่อหทิพยเป็นถามของกันปิดไว้แล้วปิดของที่ปิดไม่เปิดออกเลยเปิดออกเลย จักแต่ว่าจากแต่ว่าไม่มีอาจารด์ดยติเปิดเผยเกิดเผยเฉือนดอกพเจ้าว่าเปิดของที่ปิดกายของทว่กลมอัจศีไม่มีคอเห็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์ไปไป มันหลงตรงนี้โอ้นี่คือหลงนี่คือรูเนี่ยตายบ่อยยังไงอย่าหลงเรื่องเก่าบ่อยๆอย่าทุกเรื่องเก่าบ่อยๆอย่าทําผิดซ้ำผิดแล้วก็ว่าผิดเป็นคู่รูดีเป็นตาอรูดีเป็นเอกเลยจำไหมอ่ะชั่วเป็นชั่วดีเป็นตา ลูกเป็นตีชั่วนี้เป็นตา <c oughs> ดังปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมันสนุกกนละัวเรื่องเดี๋ยวกลัวคนไม่ปฏิบัติเมื <c oughs> ่อปฏิบัติก็เจนช่องทางไปเลยฉลาดที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้กับลูกก้นน้ำเนี่ยฉลาดถ้ามีสติดูถ้าไม่มีสติดูก็ไม่ค่อยฉลาด ทำลงไปก็เป็นตัวเป็นตรไม่มีสติเลยแยกไม่เป็นเห็นเหมืนสุขไม่ได้เป็นผู้สุข ก, ก็พ้นจากความสุขแยกไปเห็นเหมือนทุกข์ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์น่ะมันไปอย่างนี้ถ้าไม่มีสติ ก, ก็ไม่เห็นเป็นไปเลยเป็นไปเลยเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ไปเลยตรงนี้น่าจะแยกทางแยกไปตรงนี้ กุศลฝ่ากุศลแ ย, ก, ยกตรงนี้ละความชั่วก็ละตรงนี้ทําความดีก็ทําตรงนี้มีชินก็จะมีตรงนี้รักษาชินก็รักษาตรงนี้ถ้ามันสุกเป็นผู้สุขนี่ผิดชินไปแล้วผินเมื่อชินไม่มีเลยชินไม่งอกไปงามแล้วถ้ามันสุกเป็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกคนจาความสุกหมดที่สุ์แล้ว เ้าหนมันทุกข์เนมันทุกข์ไม่เป็นพูดทุกข์คนจบับความทุกข์นะมันมีให้เห็นถ้ามีสตินะ่ะอะไรมัเกิดขึ้นมาถอนออกมีสติอยู่ในการปร ะ, ประจอมมีสัมัญญามีสติมีความเพียรความเข้าใจลึตมันเผา ความพอใจและความไพอใจลยโลกเสได้มันถอนออกมันถอนเกิดความพอใจความไม่พอใจมันถอนออกบามีสติเรื่อยไปเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ดังนัอริยสัจจีเป็นอย่างนี้อนะจึงมีทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้แต่โตไปเห็นเหตุก็ละที่เหตุ <c oughs> ก็ต้องกาหนดรูรูแล้วเนี่ยเกิดที่นี่ตามไปเดิน ส, สมุทรยสมุทรไทยต้องละแล้ววันเนี่ยโอ้ตรงละตรงนี้นี่รูทําห้แจ้งตงัวนี้แจ้งเก่งๆหลงตงัวนี้แจ้งตงัวนี้มักทําให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วเจริญขึ้นแล้วก้าวหน้าแล้วชันลานชํานานขึ้นชันานขึ้นฉนลาดขึ้นแล้วมัก คือดูคือดูคือดูนี่ชำนาญในการดูไม่ชานาญในการเป็นเมื่อชานาญในการดูก็ชานาญในการเห็นเห็นเห็นต่างก็บตางกัต่ากเรื่องเป็นเป็นเป็นเป็นถูกเห็นทูกเห็นได้เป็นเสียเป็นปีเป็นถูกข์วันนี้เห็นผีเห็นทูกเห็นได้เห็นเสียนุมาณก็ต่างกันเอยู่เลื่อนถ้าดังสูงขึ้นไปถ้าเป็นคนก็เป็นมนุษย์แล้ววันนี้มนุษย์คือมันเห็นอย่างเนี้ <c oughs> ถ้าคนก็เป็นเปิดเพื่อนสุข ก, ก็เป็นสุขเพื่อนควบสุขทุกก็เป็นทุ ก, เ, ท ก, ก เ, เพื่อนควมทุกก็เห็นทำไมเพื่อนแบบพืชพงมาจันทร์แบบพืชอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กลัวมาเกิดกลัวคนไม่ปฏิบัติ อยากให้คนว่าที่ปฏิบัติอยากให้เงินเดือนด้วยถ้ามีเงินต้องเงินเดือนนห้ถ้าปฏิบัติสุดเด่นจะโ ก, กมเห็นุคเหมือ้างใช่ปะอ้รารับเงินเดือนหน่อยเท่านี้ทําอย่างนี้เหมือนนายช่างเงินทําให้เราดูก่อนเงินที่ฝีมือก็ <c oughs> มีความรู้ มีความรู้คนเจ้าค่าแรงเท่าไหร่เด้ แ, แตเราดูเราก่อนให้คุณดูเราก่อนเราจะทําให้ดูมีคนมีความรู้มีความสามารถคุณต้องดูเราก่อนเราจะทำมาให้ดูดูกจะให้เราทําคุณจะให้เราทำมาอะไรเรามันนี่อันนี้เราจะทําให้ดูคนมีฝีมือแต่เมื่อก่อนใคยไปรับจ้างก่อสร้าง เราทว่าหนายจ้างเขาว่าจเจ้าค่าแรงมาเท่าไหร่มันมีหลายระดับมันมีกรรมกรมีนายจ้าง <c oughs> ไงต้องเราทําให้ดูเราสร้างบ้านหลังนี้ทําให้ดูทําำเลยๆพอทําให้เขาพอใจแล้วเพราะเราเิ็นฝีมือเราไม่ความรู้เราทำอะไรต้องบอก สร้างสัน์ไม่เป็นดูยืนดูเหมือนหวพ่อไปคุมงานที่ข้าวตยืนต้องยืนหรอหมยืนันยืน้เป็ี่ยนทาจ้างทำตัวนี้ตัวนี้มันต่อไปต่อต่อไปอตพเขาบอกเลยในงานเกดต้องเป็นผู้นำดูตรงนี้จุดอ่อนตรงไหนลูก นี่ก็เหมือนกันแล้วมีความสามารถปฏิบัติธรรม น, นมตัวเองได้ไม่ติดตรงไหนนะมันบอกให้เห็นอยู่เดียวมีสตริเนี่ยดูกายเนี่ยดูใจเนี่ยมีมีกายมีใจมันเป็นรูปเป็นนามมันบอกนี่คือรูปนี่คือนามสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามม่เยอะแยะ เรียกว่าอาการมันต้องเรียกมันว่าส er> ุขว่าทุกข์หรอกเป็นอาการตัวเดียกมันสุขมันทุกข์มันยิ่งใหญ่เราเรียกว่าโกรธว่าโลภว่าโง่มันยิ่งใหญ่ขอเรียกหรือว่าอาการความโกรธก็เป็นอาการเกิดขึ้นกับนามความโลภเป็นอาการเกิดขึ้นกับนามจิตเล็ดต้นหาเป็นอาการเกิดขึ้นกับนาำมื่อทำถ้าเรียกว่ามันไม่จิตล นาที่ปันหาใหญ่กว่าแม่น้ำมันยิ่งใหญ่แล้เรียกว่าอาการมันจิ๊บจ้อยเรื่องเด็กๆน้อยๆงัเนเห็นงูจงอางเรียกมันว่างูสิงซะนั่นก็หมดท่าเลยแล้เรียกว่าจงอางมันจะ่าพังพานคอแยงโคอฉก้วตาย เรียกว่า ง, งูจิงมันก็จ่อยนิดเดียวจะให้ฆ่ามันเดี๋เสือก็ต้องเพื่อนกันเปิดใจเจตบใเหมือนกันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ศัตรูนี่หรอกเป็นศัตรูเลาเราชอบคนนี้เราไม่ชอบคนนี้ยิ่งใหญ่เป็นเพื่อนเกิดใจเจ็บใจด้วยกันทุกคนทุกชีวิตทุกคนเขายิ่งขวบทุกคนเราด้วย วันไหนอยู่นาที่อจะช่วยวันไหนที่เขาหลงเราจะช่ว ย, ว ท, วยที่เขาผิดเราจะช่วยเมื่อเขาด่าเราเนี่ยเขาผิดแล้วต้องมีอะไรเบื้องเบื้องหน้าที่มันสั่งให้ดา่าให้จทำต้องคิดนะควรดีๆถ้าโกรธเราก็ด่ากันได้ถ้าเขาไม่โกรธมันด่าไม่ได้ตอนที่โกรธเขาต้องหลงเขาเขาหลง คนที่หลงเป็นคนที่น่าให้อภัยหาวิธีช่วยอันนี้พอคนหนึ่งหลงคนหนึ่งก็หลงตามคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งก็โกรธตามคนโกรธก่อนมีทุกข์ได้รับทุกข์รับบาปหนึ่งเท่าคนที่โกรธทีหลังได้รับบาปสองเท่าถว่าเขาโง่เรายังไปโง่เขาอีกโกรธตามเขาอีกลบหล่ะถาฝันด่ากันไม่อาย ต้องขฉลาดเพราะเราเคยเห็นเคยดูเรื่องนี้เกิดกันเราเหมือนกันหมดมีรูปมีน้ำเหมือนกันหมดเป็นอาการเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเรียกว่าอาการง่ายๆอาหรปวดก็เป็นอาการอาหเจ็บก็เป็นอาการวันหายใจไม่ได้ก็เป็นอาการ อาการที่เกิดกืบลูกมันมีความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ของลูกในความไม่ใช่ตัวตนของเขาเหตุเหตุปจัจจัยนี่จะเกิดขึน้นเกิดลูกมันก็สนุกนะเหมืนบอกสารภาพเรื่องรูปเรื่องนาวแค่ไหนเพียงใดเกี่ยวกับรูปกับน้องเกี่ยวกับแค่ไหนเพียงใด อะไรควรกรบดลูกอะไรควรละอะไรควรทำไม่แจ้งอะไรควรทำให้มากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จัดจีไปอย่างนี้ไมาใช่เราก็จีอยู่ในกระดาษได้ผลเหรียนจากปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายพวกเจ้าจะสรุปผลหั้นเกิดขึ้นเป็นร้อยเป็นพันไม่มีหนังสือเหรียนจักตัวไอ้พวกเจ้าสอนอย่างนี้ พูดอย่างนี้ตอนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่มีใครให้ศีลพระองค์เลยดั่งเลือมพันองค์พระองค์เดียวในป่าในต้นไม้ทาไมมีศีลขึ้นมามีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราไปเรียนสมาธิกับใครใครบอกเป็นสมาธิคนอื่นบอกสร้างให้หรือมันไม่ใช่ อางพูดว่าว่าในสินต้องขอให้เกิดสมาธิสมาธิกอให้เกิดปัญญาเพราะมันจังเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นเองจำสนุนกันเองทําถูกถ้าทาไม่ถูกก็ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่คนอื่นหัดให้ฝึกหัดให้เรหัดตัวเองพระเจ้าได้สินมีสินมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาไม่รับสินจากใครเลย ปฏิบัติจังคู่เฉินเข้าน้องเกี่ยเฉินดอกมีสติอยู่เนี่ยก็เห็นมันแสดงออกมาก็ได้รู้ได้สอนกายได้สอนใจได้หลักสอนตัวเองมีสติสามสัญญาลูกเฉินเข้าเกี่ยเฉินดอกรู้จุดอะไรได้ชิดไปก็กลับมาลูวันอะไรเกิดขึ้นกับลูกกลับมาลู มีแต่รูมีแต่รูยังไม่ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เอาเหตุเอาปัจจัยม่เอาเหตุเอาผลต้อเหตุผลไม่อยู่อยู่ไม่ได้แล้วเช่นปราสาทสาดูกับโต้นโพอะไรมันจะดีหัวากาันเจ้าจักรพัทกับนุ่งผ้ากัดขาดอะไรจะดีหัวกาัน ถิบาลาฮุนสาอสนมนความดันในแวดลองแล้วนักอยู่คนเดียวมันจะอะไรจดีกว่ากันต้าเหตแเ้วผลมันก็อยู่ไม่ได้นะรู้จักตัวจ๋ารู้จักตัวจ๋าเนี่ยเราปฏิบัติก็ทำอย่างนี้แล้วอ้างเยอะแยะใครจะอ้างอะไรก็เยอะแยะยากโน่นยากนี้เยอะแยะไปหมดเลย ยเอมาอ้างเอาเนี่ยเอารูปบนนามเป็นที่ตั้งเมื่อเกิดอะไรขึ้นมักนก็รูเนี่ยก็มาเปลี่ยนทุวรูปนี่กลับมาถานแล้วไม่อยู่ีกลับมานี่ที่ตั้งไม่อยู่กลับเมื่อตั้งไว้ปฏิบัติธรรมกลับเมื่อตั้งไว้กลับมาตั้งไว้กลับมาตั้งไว้ได้เกิด ข, ขึ้นมันก็รูปรูปรูเนี่ ย, ฏ ย, ยปฏิบัติอย่างนี้กวคนจะไม่ปฏิบัติอยากให้มาปฏิบัติมาก ยุค ด, ดีมีจนไงก็ดูกันไปไปเห็นชั้นสูงตั้่็ดน้าอยู่ที่สุดเลยก็จะชวนอาจารย์โจ้ฉินข้นไปดู่่โ น, โนเอะปรียกด้ดี่อไม้ทีู่กไว้ ขึ้นญาติโยมวดไปกันลังมองชะลุทะลวงเบื่อหน้าอยู่มากแต่นี่น้ามก็ถึงสะดวกสบายาการจะขิ้นไปอยู่ที่หนึ่งจะเลินนุ่งเหลืองแต่เรามันเจ๋อเท่าก็จแล้วถ้ายังหนุ่มอยู่จยากขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวตรวจเราเนะี่ย ไปเที่ยวทุกวันนั่งก๊บผาไปนไปดูทุกวันสลมผา ด, ด, ด, ด, ดูแล้วชื่นใจชื่นใจเดินยางปลูกไว้ก็โตขึ้นไม่ค้อนหลอมเป็นละร้อยสองร้อยสามร้อยกอจานต้ม ป, ปลูกไว้ต่อไปเราขายก็หลานกินก็พอได้ไหมไม่ค้อนหลอะต่หลําละห้าบาทสิบบาทมาขาย อ่าภาลนาเน้นเลยสมควรเจ้เวลากลาบพระพร้อมกัน